ท่านสาธุชนุทธบริษัททั้งหลายและพโยคารวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสม า, า, มาทานกรรมฐานและก็สมาทานศีลแล้ววันนี้จะขอพูดเรื่องกายขาตานุสติมรณานุสติและอุปสมานุสติทั้งสามรายการเพราะว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติทั้งสามรายการนี้จุดพิเศดานก็มีอยู่เฉพาะกายคตาอนุสติเท่านั้นเท่าที่พูดมาแล้วหวังว่าบรรดาท่านหลายคงจะพอมีความเข้าใจทั้งนี้จะหากว่าท่านฟังแล้วจะใช้สัญญาเป็นสำคัญโดยไม่ใช้ปัญญาประกอบ แจพูดให้ละเอียดย่อมเป็นไปไม่ได้หากว่าใช้สัญญาความจำอย่างเดียวแจพูดให้ละเอียดเพียงใดประโยชน์ก็ไม่เกิดดะนั้นเมื่อเวลาที่ท่นานรับฟังมาแล้วจงใช้พิจรารณาปัญญาพิจารณาใครคนด้วยและก็ใช้สัญญาด้วยประกอบกันจึงจะมีผลสำหรับวันนี้ ก็อยากข อ, อนำอมรณานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานบวกกับกายคตานุสติและก็บวกกับสกายทิฐิเอามาประมวลกันทั้งนี้ถ้าหากว่าจะแยกกันก็เสียเวลาเพราะว่าเวลาปฏิบัติจริงๆเข้ารวมกันเริ่มต้นตั้งแต่อนาปานุสติมา ถิงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รวมกันมาเรื่อยๆเอาใจน้อมเข้าไปในข่าวเดียวผสมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องปลายที่จะเข้าถึงอรหัตผลได้ต้องเน้นหนักในกายตานุสติมรณานุสติและอุปสมานุสติ ถ้าไม่เน้นหนักตอนนี้การปฏิบัติไม่ผลไม่มีผลถึงที่สุดเรื่องแบบกายากตานุสติก็พูดมาแล้วพอสมควรเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยการสามทิศสองมีธาตุสี่เป็นพื้นฐานมีความสุขปรกกันที่ทรงตัวแล้วก็พิจารณาต่อไป ว่าร่างกายนี้เมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะทรงตัวได้หรือเปล่าเมื่อหาความจริงถ้าใช้ปัญญาไม่พบก็จงดูตัวอย่างคนที่ทุกเกิดก่อนโือสภาพของร่างกายไม่มีการทรงตัวมีการเสื่อมไปเป็นปกติให้เสื่อมก็คือแก่ ตามที่พูดมาแล้วในตอนต้นนี่เป็นเรื่องของธรรมวิภาคว่าเมื่อเกิดแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมเพราะไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้แล้วก็เราก็ต้องมีความไปไ่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความตายไปได้ เรามีการพัดพาดจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นการอย่างนี้ไปได้แค่นั้นแตห่หากว่านในเวลาที่ทรงตัวอยู่เราทำความดีผลดีก็ให้ผลเป็นสุขถ้าเราทำความชั่วผลเนื่อความชั่วก็ให้ผลเป็นทุกข์ <c oughs> อันนี้เราก็มาเรอกสุข ว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้เราควรจะทำใจยังไงเราก็วางอารมณ์ไว้ว่าร่างกายนี้ปกติมันแก่ลงไปทุกวันและเมื่อความแก่ปรากฏเราจะทำใจยังไงความจริงเราควรจะทำใจไว้ก่อน สร้างความรู้สึกไว้ก่อนว่าความแก่นี้เป็นปกติธรรมดาของร่างกายแล้วรเรี่งยงไม่ได้สภาพของคนแก่เป็นยังไงผมหงอกควันหักตาฟางหูฝ้าร่างกายไม่ดีนังหิวย่นเป็นอันว่าความจำก็เสี่งสติสัมปชัญญะก็เหลวร้ำร่างกายก็ใช้งานไม่สะดวก นั่งมองดูคนแก่คนอื่นด้วก่อนว่าสภาพของความแก่ของเขาเป็นยังไงแล้วก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งขั้นหน้าอาการอย่างนี้มันจะปรากฏกับเราในเมื่ออาการอย่างนั้นปรากฏเราจะสร้างความรู้สึกยังไงเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจเราจะเศร้าใจเพราะความแก่เขาครอบทาอย่างนั้นเลย ถ้าทมารมารมณ์ใจอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องใช้อุเบกขาในขั้นสังขารูปเบกขายานอุเบกขาตัวนี้นหะเป็นสังขารูปเบกขายานจริงต้องวางเฉยในมันเพราะว่าถ้ามันจะแก่ในเมื่อเราห้ามความแก่ไม่ได้ในเสียใจเศร้าใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์ ก่อนที่จะวางเป็นแสงขาระเปียคายาณเราก็มานั่งนักดูพระร่างกายนี่น่ารักน่าชมไหมที่เราพยายามเลี้ยงดูด้วยกับการทั้งปวงประคบประ ง, งมในเหตุต่างๆหาอาหารให้ให้ยารักษาโรคให้เครื่องประดับให้สถานที่อยู่บำรุงบำเรยความสุขทุกอย่าง <c oughs> แต่ถ้าว่าเราไม่ต้องการให้มันแก่มันกลับจะแก่จุดนี้ต้องตั้งไว้ในเขตของนิิพัายานเพื่อสร้างความเบื่อหน่ายว่าขันห้าประเภทนี้มันเป็นของไม่ดีถ้าเป็นเพื่อนเราก็ต้องเลิกคบเพราะว่าเป็นเพื่อนที่อกตันยูไม่รู้คุณไม่รู้จักสนองคุณเราบ้าง เอาเปรียบเราอย่างเดียวเราปรนเปรอทุกอย่างแต่เพื่อนแมวใจเราเลยให้เราเป็นฝ่ายเอาใจแต่คนเดียวอย่างนี้เราก็ต้องเลิกคบกันสำหรับขั้นห้าคือร่างกายก็มีสภาพเดียวกันในเมื่อเราปรนเปรอมันทุกอย่างมันก็แก่มันก็เสื่อมมันทุดโทรมทุกอย่างเราจะบำรงยังไงมันก็ไม่มีการทรงตัว ตอนนี้สร้างความเบื่อหน่ายให้เกิดว่าถ้าเราจะเกิดมีขันห้าแบบนี้ต่อไปส้าภาวะร่างกายมันก็ทรงแบบนี้เราก็ไม่ต้องรู้จักจุดจากความลาบากในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นในการเกิดทะเลวันนิ้พิทายานเบื่อที่จะมีขันห้าเบื่อที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ในเมื่อนิพพิทายานมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ระวังใหญ่ของคนที่อยากจะฆ่าตัวตายเพื่อเบื่อหน่ายอันนี้ทำไม่ถูกทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องใช้สังขาวหรือปีฆ่ายานเข้ามาคุมว่าในเมื่อเราเบื่อมันแต่ถ้าว่ามันเกิดมาแล้วในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องปล่อยมันไป ปฏิบัติทุกอย่างตามใจมันตามหน้าที่แต่กำลังใจของเรานี้รู้สึกรังเกียจในมันมันอยากจะแก่ก็เชิญแก่อันนี้ถึงเวลาป่วยเกิดขึ้นแล้วก็มองดูว่า น, นี่เป็นอย่างนี้อีกแล้วแก่ไม่พอก็ ย, ย, ยังหาเรื่องกระสร้างความเสียดแทงให้เกิดทุกขเวทนา อย่าป้องกันอย่างไงมันก็ไม่ยอมรับฟังร่างกายอย่างนี้ควรเป็นที่น่าปรารถนาของเราอีกเล อ, อยังไง <c oughs> ห, หรือว่าน่ารัก ห, หรือว่าน่าเกลียดน่าพอใจหรือว่าน่าเบือ่อเมื่อพิจารณาไปจริงๆแล้วมันก็น่าเบื่อหน่ายน่ารังเกยียจรู้ว่าถ้าเราจะเกิดอีกสภาพอย่างนี้ก็ปรากฏ เมื่อเราเบื่อในมันจิตใจทำยังไงเบื่อเป็นนิพิทายานแต่ด้วว่าเราก็ต้องใช้สังขารุปเกขาญาณเพราะว่าเราสร้างความโง่เราคบความโง่ให้มันเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยตัณหาเป็นเหตุตัณหาที่สาคัญคือความทยานอยากไม่ปัจจัยของความเกิด นั่นก็คือความอยากมีคู่ครองความอยากรวยอยากสวยอยากโกรธอยากเกลียดอาการอยากอย่างนี้มันเป็นปัจจัยที่เรียกปัญหาดึงให้มันเกิดอุปาทานมีความยึดมัน่นแบบการเกิดเป็นคนเป็นของดีนี่ไอตัวยึดมัน่นอกุศลกรรมในเมื่อจิตคิดผิดการกระทําก็ทําแบบผิดอกุศลแปลว่าไม่ฉลาด นือว่าทำทุกอย่างเรื่องในความรักคือในก า, มารมารวมคือพอใจในโลกเสียงกลิ่นรสรสัมผัสทำทุกอย่างในเรื่องความโลภโมโทสันทำทุกอย่างในเรื่องการนังเกยียจความโกรธหลงทุกอย่างคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเรากับมันจะจากกัน นี่พ่อใส่ความโง่แบบนี้ที่เราครบมาในอดีตชาติมันจึงเป็นปัจจัยให้เราเกิดความทุกข์คือคบคับงขันห้าที่ไม่มีความจริงจังจากนั้นเมื่อเรารู้เหตุว่าตัณหาเป็นเหตุก็ใส่ความอยากพอใจอยากได้รูกสิ่งเกิดทันทีรดสัมผัส แล้วก็อยากอยากรยอยากโรากโรธอยากยึดเมื่อเราทราบว่าตัวอยากมันไม่ดีซะแบบนี้เราก็เลิอกอยากเลิอกอยากตัวไหนเลิอกอยากขันห้าตัวเดียวเลิอกอยากเกิดแค่ตัวเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ระงับหมด เป็นอันว่าเราก็กำหนดใจว่าขึ้นชื่อความยากลำบากกายลำบากใจที่มีอยู่ในเวลานี้เพราะมีขันห้าเป็นตัวตั้งตัวตรีก็เพราะสายความอยากเป็นสาคัญนับตั้งแต่ บ, บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าอยากมีขันห้าไม่มีสำหรับเรา ความต้องการขันห้าคือแรงกายของบุคคลอื่นเพื่อมาเป็นคู่ครองไม่มีสำหรับเราก็มันเป็นปัจจัยความทุกข์การยึดถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพรถูกท่าต่างๆเป็นเราเป็นของเราไม่มีมันเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวเมื่อยังมีลมปราณเท่านั้น เป็นอนุนร่างกายอย่างเราที่เกิดมาเพื่อเป็นเราร่างกายเขาของคนอื่นเมตุธาตุาต่างๆเราไม่พึงปราถนามันอีกแต่แล้วว่ามันมีแล้วไม่เกิดแล้วก็ทําใจวางเฉยคิดหาทางหนีตลอดเวลาว่าสิ้นดมปราณเมรัเป็นความดีสภาพอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเรานี่คิดถึงตอนนี้นะ่ะป่วย มาคิดถึงเห็นคนตายที่เขาตายเป็นครูก็นึกถึงถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบรมครูที่ทรงตรัสว่าสเพสตามริสันติมรนันตังหิจีวิตังเป็นอนั้าว่าสัตว์ทั้งหลาย ท, ทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเหลือตายหมดมีพุมแปลถีใจความเป็นสำคัญแม้แต่เราก็ต้องตาย ในเมื่อร่างกายที่เราปรนเปรยอย่างนี้มันตายมันตายแล้วเราตายไหมถ้าเราตายสิด้วยคําว่าตกนรกเป็นเปริดแปลงสุดกายเป็นสติฉันเป็นมนุษย์ใหม่เป็นเทวดาเป็นพรมมันก็ไม่มีดะนั้นเมื่อมันตายเราไม่ตายมันคือใครมันคือธาตุสี่ที่ประกอบกับอาการสามด้วยสองเป็นของน่าเกลียด นั่นคือมันไม่ใช่เราเราคือจิตที่มันก็ามาอาศัยในร่างกายนี้เป็นอันว่าในเมื่อมันตายเราไม่ตายแล้คบมันทําไมเราก็เลิกคบขึ้นเชื่อว่าขันห้าประเภทนี้มันไม่ดีที่ความตายเป็นอันดีสุดแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าเราจะต้องพัดผ้าแจกของรักของชอบใจ ไมายความวัตถุธาตุใดๆแม้แต่คนแลสัตว์ที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเราเป็นผัวเรามีเราพ่อเราแม่เราลูกเราร้านเราเพื่อนของเราวัตถุธาตุต่างๆอาคารบ้านเรือนเงินทองทั้งหมดที่ถือว่าเป็นเราเป็นพวกเราในเมื่อเราตายแล้วร่างกายมันตายแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปกครอง แค่นั้นเราจะต้องทำกรรมดีไม่ทำกรรมชั่วเพื่นหนึ่งทานใหมมีทานไม่เป็นปกติเพื่อตัดความโลภเป็นปัจจัยแห่งความไม่เกิดสองศีลใหม่มีศีลไม่เป็นปกติเพื่อป้องกันนบัยภูมิสามภาวนาใหม่มีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาฉลาดรู้เท่าสภาวะต่างความเป็นจริง เพื่อรวมความว่าญากายาติทิคือร่างกายนี้เป็นของไม่ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันเป็นของไม่ดีประกอบด้วยการสาบเป็นสองเต็มไปด้วยความสกปรกอันนี้บวกแล้วเป็นสมถะมันไม่ดี มันเมียมันเป็นธาตุสี่เป็นพื้นฐานเมีาการฐานทสองเป็นกา ย, ยกัตานุสติมองซึ่งลงไปเห็นความสุกปรกของร่างกายอันนี้ถือว่ามันเป็นความไม่ดีอย่างหนึง่งนั่นเป็นอสุ ป, ปสัญญาแล้วมันก็จะต้องแก่มันก็จะต้องป่วยมันก็จะต้องตายจะต้องพัดไ ร, าาร่จากของละของชอบใจ มันมีเสภาพไปทรงตัวอันนี้เป็นนิปัศนายานเห้ไม่รับแล้วก็นั่งมองดูไปว่าเราที่จะทำลายความเกิดได้มีอะไรเป็นเหตุเราก็ไปมองดูองค์สมเด็จพระบระมโลกเกชที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีมาทั้งเสียสงไข่กำไรแสงกลับ ที่องค์สมสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าค้นคว้าหาความไม่เกิดแล้วก็ค้นไม่ได้ต้องสร้างกำลังใจเพื่อความฉลาดมาสิ้นเวลาเท่านี้เพื่อไม่ชาตสุดท้ายนี่องค์สมเด็จพระมหามุนีเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์แล้วก็เป็นกษัตริย์เองด้วย ช่วยธนุกังงประชาอนทุกอย่างให้มีความสุขต่อมาก็ออกสแสวงหาพิเนสกรมพยายามทำทุกอย่างตามที่ประเพณีนิยมของคราอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นจิ้นเวลาห ก, กาพรศษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณ สมเด็จพระวิชิตธมานทรงชัดด้สมาบัติแปดเธอได้รูปร 4, รประชานสี่และรูปประชานสี่อารมณ์ของรูปรรประชานก็ดี5รูปประชานก็ดีถ้าจิตทรงฌานสี่เป็นอารมณ์ที่ว่างจากกิเลสหมายความว่ามีอารมณ์เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์หารูปประชาน อากาสานัญจายัตนะมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างเวงปราศจาขอบเขตเม อ, อากาศทั้งคนทั้งธาตุต่างๆม่สภาพเหมือนกันในที่สุดมันก็สลายตัววิญญาณัญจายัตนะความรู้สึกใดๆที่มีความต้องการสัมผัสเราหาที่สุดไม่ได้เป็นของน่าเบือ่อ หากินจัญญาญตนะของในโลกนี้ทั้งหมดทั้งบุคคลก็ดีสัตว์ก็ดีและวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีในที่สุดก็สลายตัวหมดขึ้นชื่อวาโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือในว่าสัญญานาสัญญายานะไม่สัญญาความจำยิดมั่นคงในฌานทำความรู้สึกเหมือนว่าไม่มีความจำคือไม่ยึดถืออะไรทั้งหมด อะไรจะมาก็ช่างไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นพวกเราอันนี้เป็นอารมณ์ของอารมณปรชานฟังแล้วคล้ายจะเป็นอลาหันแต่เป็นทินหน้าเสียดายที่กําลังใจละเอียดแบบนี้แต่องค์สมเด็จพระมหาโมนีไปศึกษากับครูที่เป็นพราหมณ์ครูที่เป็นพรามเขามีความต้องการอย่างเดียวไปเกิดในอารมณพระพ ตีว่าถ้ายังมีรูปมันเป็นทุกข์ถ้าไม่มีรู ป, ปแล้วหาทุกข์ไม่ได้การทุกข์ด่าทุกขชมทุกว่าป่วยไขย้ไม่สบายความแก่ความตายมันจะมีขึ้นได้เพราะอาศัยการมีรูปถ้าไม่มีรูปอาการอย่างนั้นไม่มีทนี่นจิตของเขาไม่โปรงความจริงโปร่งบ้างแต่มันไม่ปลอดคือยังไม่ปลอดจากตัณหาก้าไมถึงวิสุทธ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจะมาไข่ ค, ควนว่าทำจิตละเอียดถึงเพียงนี้และยังเอาดีไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงสแสวงหาใหม่ต่อมาวันสุดท้ายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงใช้ต้นโพเป็นที่อาศัยใช้ยญ้าคาเป็นฐานที่รองนั่งหันหลังพิงต้นโพ ทัานหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงทั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่บรรลุอภิเศษสมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดและเนื้อคนเราจะเหือดแทงไปหรือ ว, ว่าชีวิตตินสีจะตายเสียที่ตรงนี้ก็าตามเราจะไม่ยอมลักในโลกับที่นี้แล้วในที่สุดองค์สมเด็จไปเชนาสีก็ทรงได้ปัญญาเกิดขึ้นเบื้องหลังใกล้สว่าง ว่าเราจะต้องทำลายกิเลสด้วยอริยสัจสิ่งนั้นก็คือเห็นว่าทุกอย่างความจริงมันเป็นทุกข์ว่าความจริงอ่ะคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุธาตุก็ดีร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าครบัน้ก็ที่ยวเราครบรกมันหาสุขไม่ได้ มีผัวก็ทุกมีเมียก็ทุกมีลูกก็ทุกมีข้าทาสหญิงชายก็ทุกมีทรัพย์สินก็ทุกการกินก็ทุกนอนก็ทุกผ้าผอนท่าสบายที่จะมาหามนได้และหามาด้วความทุกข์แต่ตัวทุกตัวนี้ท่านทั้งหลายถ้าแย้ว่ากันไปละอีกสามสิบปีมันไม่จบ ก็นั่งพิจารณาดูกันแล้วกันว่า อ, องค์สมเด็จพระทรงทันมองเห็นทุกจิงได้พ้นทุกเมื่อเห็นทุกและพระองค์ก็ค้นคว้าต่อไปถ้าเราต้องการย้ายพ้นทุกจริงจริงนี่เราทํำยังไงมันจริงจะพ้นทุกพระองค์ก็ทรงทราบด้วยปัญญาในเวลานั้นว่าตัวทุกจริงจริงนี่ถ้าจะฆ่ามันถ้าเราฆ่าที่ทุก มันก็นเหมือนกับดับไฟที่เปเลวฉะนั้นเราจะต้องฆ่าต้นเหตุเหมือนกับดับไฟต้องดับไฟที่ขอนไม้ซึ่งเป็นเชื้อไม่ใช่ดับที่เปเลวไฟแล้วก็อะไรเป็นเชื้อของความทุกข์ก็ทรงแรทบว่าตถหาเพื่อความอยากเป็นทุกข์มีการจะปลดเรื่องความอยากจะทํำยังไงก็ต้องอาศัยมรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญา ศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมัน่นตัวตัดมีวรปัญญาตตดกินเล็คือความอยากให้เด็กขาดเม่น่ารององค์สมเด็จพระบรมาโลกนาฏจิ้งได้ทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสมัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์เราก็ต้องมานั่งเล่นกันว่าในเมื่อได้เห็นว่ากายไม่ดี ม, มีความเกิดความแก่ความป่วยความตายการพัดพราจ้ของและของชอบใจ ต้องหาแหวหาความดีคือจับมรณานุสติกรมาฐานตัวนี้ก็ไว้ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายในเมื่อความตายมาถึงเราเราจะไปทำไมเลือกทางไปเลยอย่าตายอย่างคนตาบอดเรารู้เราจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ก่อนจะไปจะสะสมทรัพย์อะไรบ้างที่ไว้เพื่อพึงความสุขในวันหน้าหรือข้างหน้า ร่างกายอันนี้มันจะพังพังเมื่อไรก็ไม่แน่มันอาจจะพังเดี๋ยวนี้มีสัยเข้าหนึ่งจะพังจะพังด้วยการอย่างไรเราก็ไม่ทราบดฉะนั้นเราก็ต้องหาทางตัดตัดด้วยวิธีไหนก็ตัดด้วยนึกขึ้นมาลณานุสติกรรมฐานกันไว้ว่าตายเมื่อไรก็ช่างเป็นสังขารเปรียญายาน พร้อมกันนั้นยึดอารมณ์พนิพานไว้เป็นอารมณ์คำว่า น, นิพานคือแปลว่าดับดับจากการเกิดความในความเป็นคนดับจากการเกิดเป็นสัตว์นบาบยภูมิสัตว์ลรกเปิดอสุรกายสติรฉานดับจากการเกิดเป็นเทวดาท่านผมูมอารมณ์ของเราเข้าถึงพนิพานเป็นแดนอมตะ ก็เป็นนั้นว่าเราจะต้องละโดยอุปสมานุสติกรรมฐานเข้ามาควบคุมถ้าเาทำยังไงแมอกายไม่ดีก็ต้องนั่งมองมองดูว่าโลภความโลภเราตัดด้วยการให้ทานคือจาระสละทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราก็คิดตัดคิดสละจาคะตัวนี้เนี่ยครับต้องสละกายเลย แต่ยไปเชื่อคอตายอย่ัมพโคติกะถ้าละว่ามันจะป่วยมันจะตายยังไงก็เป็นเรื่องของมันเราไม่เกี่ยวข้องยะคะต่อมาก็ดศีลคุมศีลให้บริสุทธิ์ปวดฟองไม่ทําลายศีลในตนเองไม่ยุให้คนอื่นทําลายศีลไม่ยินดีไม่บอกคนอื่นทําลายศีลแล้วสมาธิคือรมส่สองอารมณ์ทรงตัว มองไม่เห็นความสวยสด ง, งามของร่างกายมองไม่เห็นความทรงตัวของร่างกายหิ้นความร้ร่างกายเป็นสภาพเหมือนกับศัตรูร้ายที่จองล้างจองผลาญทำให้เราเป็นทุกข์จิตที่เรามองอยู่แล้วเราก็รู้สึกมีความเบื่อสุขว่าร่างกายนี้เป็นอย่างนี้ช่างมันชาตินี้ชาตสุดท้ายที่เราจะเป็นธาตุของตัณหาทีม่มีร่างกายแบบนี้ จิตทรงกําลังใจววาอย่างนี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันสลายไปหมดแล้วก็เชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคต์ว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่พึงปรารถนาในมันร่างกายของคนอื่นนั้นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่มีเป็นบ้านเป็นช่องเดินโรงทรัพย์สินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เราต้องเจกกัน เมื่อสภาพจากแบบนี้เกิดมาอีกมันก็ทำอย่างนี้เราไปพอดพันเพราะพิพนันจะไปได้ยังไงต้องใช้สังขารุเปเกขาญาณคือใช้ความวางเฉยในการห้าอารบรันดาท่านอังายพูดมากไปไม่ได้วันพรุ่งนี้จะนำอริ อ, รอรสัสตสีมาสรุปเป็นการว่าหมดเรื่องอนุสติกันสักที สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอสาวว่าขอาองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วทุกท่านดำรงอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่ท่านเห็นว่าสมควรท่านจะนั่งนั่งท่านไหนก็ได้เนี่ว่าจะนอนนอนท่านไหนก็ได้ถ้ามันสบายนี่จะยืนนี่จะเดินแบบจงกรมก็ได้ใช้กระหนดรู้ลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมาัธยญาใส ที่กำลังใจของท่านจะเข้าถึงในเวลานี้ว่ามันเข้าถึงไหนจึงกว่าจะถึงเวลาที่เห็นว่าท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี